คนมีปัญญาแม้แต่ทุกก็เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้ความจริงตอนนี้ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องคุณและโทษของความสุขแต่ขอพูดเรื่องทุกแท้ขั้นเสียก่อนเพราะผ่านทุกแล้วจะได้มีแต่สุขและทุกนั้นก็มีทั้งคุณและโทษที่ควรจะพูดเช่นกัน ทุกนั้นเราไม่ชอบเพราะมันบีบคั้นทำให้อึดอัดติดขัดขับคล้องนี่คือความหมายของทุกจึงเป็นธรรมดาว่าคนเจอทุกย่อมไม่ชอบใจแต่คนมีโยนิโสมนสิการสามารถเอาประโยชน์จากทุกได้ทำได้อย่างไรบอกแล้วว่าทุกเป็นสภาพบีบคั้นเมื่อมันบีบคั้นคนก็อึดอัดขัดข้อง จึงทำให้เขาดิ้นรนเพื่อให้หลุดให้พ้นไปถ้าเขารู้จักดิน้นนอกจากมีความเป็นไปได้มากว่าเขาจะหลุดพ้นไปได้แล้วการดิ้นรนนั้นก็จะทำให้เขาเข้มแข็งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการดิ้นรนหาทางนั้นมีการพัฒนาขึ้นไปในด้านต่างๆมากทีเดียวข้อสำคัญอยู่ที่ว่ามนุษย์ที่มีจิตมีใจรู้จักคิดได้นี้ ถ้าวางจิตใจถูกต้องและคิดถูกทางก็ดีไปแต่ถ้าวางจิตใจผิดและคิดเขวไปนอกจากไม่หลุดพ้นแล้วยังจะซ้ำเติมตัวเองอีกด้วยยกตัวอย่างคนเกิดมาจนค้นแค้นหรือตกทุกข์ได้ยากถ้าวางจิตใจไม่ถูกต้องและไม่รู้จักคิดมัวนั่งจับเจ้าเศร้าใจทอดอะไรอยู่ก็คือเอาทุกข์นั้นมาทับถมตัวเองก็ยิ่งจมลงไป ทีนี้ถ้าหากคนนั้นวางใจถูกและดิ้นรนพินพยายามแก้ปัญหารูอจกคิดหาทางก็สามารถผ่านพ้นทุกนั้นไปและอาจจะประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ได้การดิ้นรนให้พ้นจากทุกที่บีบคั้นนี้บางทีถึงกับเป็นระบบของสังคมก็มีเอาง่ายๆก็ได้แก่ระบบแข่งขันของสังคมตะวันตกที่กาลังแผ่ขยายไปรอบแําโลกทั้งหมด เป็นโลกาพิวัตนี่แหละระบบแข่งขันก็คือเอาทุกมาบีบทำให้คนต้องดิน้นและระบบแข่งขันนี้ซ้อนไว้กับระบบตัวใครตัวมันคือปัจเจกชนนิยมอย่างเข้มเมื่อดิ้นรนไปก็หวังพึ่งใครไม่ได้ด้วยทำให้มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและใช้พลังเต็มที่จึงทำให้คนเข้มแข็งและต้องเร่งรัดควนขวาย กระตือหรือร้อนตลอดเวลานี่ก็คือทำให้ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและได้ผลคือเจริญก้าวหน้าสมหมายแต่จะเป็นความเจริญที่พึงปรารถนาแค่ไหนและการดิ้นรนแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ไว้คอยว่ากันอีกทีอย่างไรก็ตามความไม่ประมาทที่เกิดจากถูกบีบคั้นในระบบแข่งขันทำให้ต้องกระตือหรือร้อนดิ้นรนกันนี้ ยังเป็นเพียงความไม่ประมาทเทียมเป็นเรื่องภาวะดิ้นรนจากความบีบกดที่มาถึงจิตใจเท่านั้นไม่ใช่ความไม่ประมาทที่เกิดจากปัญญาจึงพว่วงปมงปัญหาเอาไว้มากมายทั้งทางจิตใจเช่นความเครียดและทางสังคมที่ขาดความสัมพันธ์เชิงน้าใจเป็นต้นเป็นเรื่องที่ยังต้องแก้ปัญหากันอย่างหนักต่อไปแต่เอาเิด มนุษย์ที่ไม่ประมาทถึงยางไรก็ยังดีกว่ามนุษย์ที่จมอยู่กับความลุ่มลวงมัวเมาบางทีผู้นำสังคมก็ต้องใช้หรือแม้แต่สร้างความไม่ประมาทเทียมนี้ขึ้นเพื่อให้คนลุกขึ้นมากระตือหรือร้อนขวนขวายบ้างดีกว่าจะปล่อยให้จมอยู่ในความประมาทจับเจ้านอนคุดคูไม่รู้จักคิดจะไปไหนหรือจะทาอะไรเป็นอันว่า เราจะต้องให้คนรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์คือเมื่อทุกข์บีบคั้นให้ดินร่นขวนขวายก็ทําให้เกิดความเข้มแข็งแล้วการที่มีทุกข์ก็คือเกิดปัญหาซึ่งทําให้หาทางแก้ไขเมื่อพยายามแก้ไขปัญหาเราก็จะได้พัฒนาตัวเองด้านที่หนึ่งซึ่งเป็นหัวใจก็คือได้พัฒนาปัญญากว่าจะแก้ปัญหาได้เสร็จ ผาลุลวงไปก็ได้ปัญญามากมายพร้อมกันนั้นก็ได้พัฒนาทั้งด้านกายด้านวาจาและด้านจิตใจเช่นพฤติกรรมก็คล่องขึ้นจิตใจก็เข้มแข็งมีสติมีสมาธิดีขึ้นเป็นต้นสารพัดอะไรต่ออะไรก็มากันใหญ่เพราะฉะนั้นทุกจึงใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วเราก็จะต้องเอาประโยชน์จากทุกให้ได้นี่ละ ท่านจึงให้หลักว่าคนมีปัญญาแม้เจอปัญหาประสบทุกข์ก็สามารถมีความสุขได้ถึงแม้อยู่ท่ามกลางทุกข์ก็ต้องรู้จักมีความสุขได้ด้วยเป็นอันว่าเอาประโยชน์จากทุกข์ให้ได้ทุกข์ก็จะมีทางเป็นคุณดังว่ามานี้